สวัสดีค่ะดิฉันเพชรชลีพมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทําในใจค่ะผมมาที่ธรรมบทนะครับท่านผู้ชมครับธรรมบทวันนี้ก็เป็นเรื่องของหมวดเบดตเตอเลตครับวันนี้ธรรมบทบอกว่าพระสาวกของพระโคดมพุทธเจ้าผู้รำลึกถึงพระพุทธคุณเป็นนิจศินทั้งกลางวันกลางคืน ตื่นดีแล้วเสมอพระสาวกของพระโคดมพระพุทธเจ้าก็คือพวกเราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิษุณีเนี่ยนะถ้าเราลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนจะตื่นมายความว่าไม่ไม่หลงมัวเมาในอบายเอาท่านเป็นแบบอย่างและทําตามท่านอันนั้นเป็นการระลึกที่ดีที่สุดใช่ค่ะมาถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเอ่ยชื่อปุ๊บทุกคนที่อยู่ในทางธรรมก็คูจักท่านดีนะคะก็คือดรวรพัฒน์ผู้เจริญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อาจารย์นี่ก็ทุกคนเนี่ยจะเวลาเอ่ยชื่ออาจารย์ปุ๊บต้องมีการอ้างเลยนะว่าทํางานอยู่ที่นาซ่มาก่อนเพราะว่าคนที่อยู่นาซ่านี่มันดูยิ่งใหญ่คือไม่ใช่ใครก็ได้ที่อยู่ตรงจุดนั้นนะคะอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้างคะเวลาต้องมีพ่วงท้ายของอาจารย์คํานี้ไปด้วยรู้สึกว่าเป็นมันเป็นคนเก่าของผมอ่ะมันคนละคนกันละค่ะอันนี้คนใหม่เป็นคนใหม่อาจารย์โทษทีที่นาซ่าคืออะไรครัเป็นศูนย์วิจัยอวกาศ ก็พวกเครื่องบินพวกยานไอพ่นอะไรเงี้ยผมไปช่วยเขาทําเซรามิกเคลือบไปพัดไอพ่นมันจะได้เร็วขึ้นไงได้เร็วขึ้นหลายปีหรือยังครับโอ้นานแล้วฮะนานแล้วฮะนานแล้วนะฮะอันนี้อยู่ที่อเมริกาอยู่เมืองนอกนะแต่อเมริกาครับแต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าคนใหม่นี่คือกลับมาที่เมืองไทยแล้วับมาเมืองไทยแล้วะแล้วก็เริ่มมีความเห็นว่าไอที่ทําทําที่นาซาน่ยมันเหมือนคนหลับอ่ะ ฟังพุทธธรรมเมื่อกี้แล้วเออเราต้องเป็นคนตื่นน่ะคนตื่นคนเบิกบานขึ้นน่ะถึงจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งสิ่งที่นาซาทําไปเนี่ยสุดท้ายมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเนีไงมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเราเข้าใจสรรพสิ่งหรือเปล่าใช่ไหยฮะเรามีแต่บุกไปข้างหน้าเรื่อยๆอืมันก็ไปเร็วมากการยานอวกาศหรือว่าเครื่องบินลบที่ทําเนี่ย เร็วกว่าเสียงทั้งหลายเท่านะฮะแต่สุดท้ายผมถามตัวเองว่าเร็วไปทำไมเนาะจะรีบเปไหนจะรีบเปไหนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างโดยเฉพาะยิ่งผมมานั่งคิดว่าโครงการอวกาศนาซาเนี่ยที่สร้างยานอวกาศสร้างอะไรมากมายเนี่ยสุดท้ายไปขอบจักรวาลเนี่ยซึ่งมันไกลสี่ร้อยห้าสิบล้านปีปีแสงเนี่ยสี่รอยห้าสิบล้านปีแสงเนี่ย ถ้าไปถึงขอบจักรวาลแล้วแล้วมันได้ไรเนาะค่ะก็นั้นคิดวเอ๊ะทำยังไงดีแล้วเคยผมตอนนั้นเป็นเป็นคริสนะครับเวลาผมพูดในอเมริกาในอเมริกานี้เป็นเป็นคริสครับแล้วก็ไปอ่านหนังสืออาจารย์พุทธทาสอ่านหนังสือหลวงปู่ฟั่นครับก็เลยคิดว่าโออเนาะเราเดินทางไป450ล้านปีแสงทำไมไม่วกกลับตรงนี้เนาะเนี่ยเข้ามาเซนเดียวอย่างเงี้ยเซนติเมตรเดียวเนี่ยมิลเดียวเนี่ยเข้ามาที่กลางใจตรงเนี้ย เ ป, เป็นแรงบันดาลใจนอกจากอ่านหนังสืออาจารย์นั้นหนังสือที่อาจารย์อาาย่อานไม่ใช่เป็นศาสนาเดิมของอาจารย์เลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ค้นหาตรงนี้ต้องต้องต้องขอบคุณคุณแม่ผมคุณแม่สอนให้เป็นนักอ่านอืนี่อ่านหมดเลยเนี่ยอะไรมาว่างๆในหัวเนี่ยอ่านหมดหมดนะทีนี้พอไปอยู่อเมริกาเนี่ยมยีวัน ห, นหิมะตกหนะักครับออกจากเมืองไม่ได้นะสามสี่วันเนี่ยต้องตุนอาหารตุนอะไรกันไว้แบบเนี้ยครับก็เพอเินไปค้างอยู่บ้านเพื่อนซึ่ง ซึ่งเขาเป็นมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับผู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขจะมีชมรมพุทธเขาจะมีหนังสือหลวงหลวงปู่ฟั่นวางอยู่เออครับนี่ไม่มีอะไรทําเนาะครับอ่านอ่านเลยแล้วปิ้งเอ้ยมันมันเออพระพุธองอ่ะหลวงปู่ฟั่นที่สะกดคอนะครับอ่านอ่านแล้วไปรู้สึกว่าเออเนาะมันอ่ะมันมีความรู้สึกกิเลสเกิดขึ้นเลยคืออยากเป็นอือยากเป็นพระพุธองค์ เปไพ่ทุดดอง้อแวบนั่นเลยเหรอฮะอันเล่นเดียวแล้วเกิดแหลกบันดาลใจอย่างนั้นเลยเหรอครับทิปปิ้งมากๆเลยคือวันเกิดท่านน่ะเดือนแปดตีกุนเนี่ยเนี่ยผมก็เนี่ยเหมือนกันผมก็มองเอ๊ะหลวงปู่องนี้กับเราเนี่ยดวงคล้ายกันนะก็มีก็เลยมีความเห็นว่าเออเขาก็มาทางนี้ได้ดิบได้ดีนะเราเอ๊ะเราน่าจะคล้ายๆกับผู้เป็นภาษาอังกฤษเรา meet too ค่าด้วยค่าด้วย คทับใจคแล้วก็เริ่มศึกษาก็เริ่มมานั่งมองตัวเองว่าเออเนาะมันเหมือนกับว่าถ้าเราเกิดมาในปาปัวนิวกินีเราเกิดมาในประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งเราก็ต้องตามคนกลุ่มนั้นไปตลอดใช่ไหมฮะนี่ผมเกิดมาในครอบครัวคริสตเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเริ่มเอะใจไงมันเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยทานแซนด์วิชมาตลอดเนี่ยคไม่ได้เป็นรองปาล่าบ้างใช่ไหมเป็นนิสัยผมอยู่นะชอบเสี่ยงชอบ ทำอะไรแปลกๆคือความเห็นว่าเรารู้รู้อย่างเดียวนี้ไม่พอนะคะโอเคผมก็ถือว่าเพื่อการเรียนรู้ครับออค่ะครอบครัวถือถ่าเป็นเรื่องใหญ่เงี้แล้วครอบครัวไม่ไม่ไปไปมามาแล้วทั้งคริสตเขาก็เข้าใจพุทธนะคทั้งพุทธเขาก็เข้าใจคริสผมเลยว่าน่ารักทุกศาสนานะครับนะครับผมก็เลยนั่งเออแล้นเราก็มาศึกษาทั้งพุทธดูแล้วก็ถูกใจทางพู้เจ้าสอนว่าอย่าไปเชื่อท่าน่ะ อย่ะมาเชื่อเราต่างคนโอ้โหเนี่ยครับเพราะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะครับออืผมอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่ามันมีในมั่วๆเยอะอืหลายอย่างแล้วก็วางฟอร์มเป็นนักวิชาการแล้วมั่วใช่ครับนก็ดันเชื่อเรานะแต่พูดได้บอกว่าไม่ใช่ครับหนังสือเนี่ยต่างๆเนี่ยอ่านให้ตายเหอะถ้าไม่ได้ทําจริงอ่ะมันไม่เห็นหรอกอืใช่ไหมฮะมันต้อง put into action หมายความว่าลงมือทําครับเอาไปทํา Uh huh. แล้วผมก็มานั่งคิดว่าอย่างการสอนศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปอ่านอะไรมาทั้งอย่างหนึ่งแล้วก็มาบอก uh huh. อ่านแล้วก็มาบอกอ uh huh. ผมกลับมีความเห็นว่าเราน่าจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกลับมาเล่าอืม uh huh. ว่าเนี่ยคนพบความจริงที่มันไม่มีใครปฏิเสธได้อะอืม uh huh. ความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ผมนั่ ง, อ, งอ่านไปนั่งอ่านมาก็อยู่ในคําสอนขององค์พระเจ้าทั้งนั้นเลยครับ uh huh. เถียงไม่ได้ทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างอื uh huh. แต่อย่างที่ท่านเรียงเอามาเนี่ยทุกสมุทรไทยนี่โลดมากหรืออะไก็แล้วแต่อย่าไปสลับอพระพุทธองค์ท่านเรียงไว้สวยงามมากค่ะครับก็เลยประทับใจนะคิดนานไหมะกว่าที่จะลงมือปฏิบัติลงมือทำฮะนานเหมือนกันนะเพราะนั้นเราก็ต้องนะเราก็ต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆแต่ก็มาศึกษาทางพูดจริงๆจังกลับมาเมืองไทยแล้วออืครับกลับมาเมืองไทยแล้วเพราะว่า อยู่สหรัฐอเมริกาผมมีความเห็นว่าสุขทางกายแต่ด้านจิตใจนี่คงลำบากครับเรายังไงก็เป็นประชาชนชั้นสองของเขาอ่ะครับผมยังไงก็ยังผิวเหลืองดำนะยังไงตามเนื้อตามตัวก็ยังมีกลิ่นเครื่องแกงติดตัวอยู่แล้วหลายๆอย่างครัเจ้านายผมแล้วก็อาจารย์ผมที่นาซาเนี่ยเป็นคนอินเดียเยอะเขาบอกว่า ถ้าเขาเป็นคนไทยนะอย่างผมเนี่ยเขาไม่อยู่นาซาเขากลับแต่เคยเขาเป็นอินเดียเขามาจากไหนประเทศที่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ยูอะคือผมเนี่ยมาจากเมืองไทยเขาเคยมาเที่ยวเมืองไทยมันมีทุกอย่างและที่สำคัญคือเมืองไทยมีปรัชญาและาศาสนาที่ดีมากเขาเลยเออเนาะ แม้แต่อาจารย์โปรเฟสเซอร์ที่เขาเป็นด็อกเตอร์เก่งกว่าผมนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาเขค้นหาสัธรรมกันครับเขาค้นหาความหมายของชีวิตกันอืคือไม่รู้นะพอเรามาเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยไปถึงจุดจุดหนึ่งของตอบนั่เลยว่ามันมั่วอือ่ะมันภาษาอังกฤษเรียกว่า assume assume มันแปลว่าอะไรอ่ะประมาณเนี้ยฮประมาณเนี้ยมั่วไปก่อนออืและจริงๆนั้นเองแง่วิทยาศาสตร์นะะในการค้นพบต่างๆในโลกเนี้ยอื ทำมั่วไปแล้วค่อยเจอ อ, อ, อ, อพอเจอเสร็จแล้วไอ้พวกนักวิชาการเนี่ยมันค่อยมาเขียนอธิบายทีหลังครับผมว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นมั่วเยอะมันเหมือนทะเลกว้างใหญ่ะครับวิทยาศาสตร์แค่ถ้วยน้ํำมนถ้วยชาใบนี้ เ, นรเราไม่สามารถที่จะบอกว่าน้ําในถ้วยชาเนี่ยเป็นคําตอบของมหาสมุทรกว้างทั้งหมดครัจนกว่าเราจะกล้าออกไปทดสอบมันในศาสนาคริสต์ก็พูดสวยนะพระเยซูท่านพูดบอกว่า เป็นบุญของผู้ที่ไม่ได้เห็นแต่เชื่อออืืมซึ่งเป็นคาพูดที่สูงมากคนะเป็นของผู้ที่ไม่ได้เห็นแต่เชื่อเเชชืื่่ออคือเชื่อไปก่อนอนั่นไอตัวเชื่อไปก่อนเนี่ยมันคือศรัทธาไงนี่ผมว่าโอเคผมก็เชื่อว่าศาสนาทุกองในโลกนี้คนดีหมดแหละก็ขอขอลองทาำพุทธเจ้าดูก็มาพบว่าเออทาไมเราไม่ไปดูว่าเรื่องกฎแห่งกรรมมันเป็นยังไงเนาะมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมกฎแห่งกรรมเนี่ยนะ ครับเน่ยผมก็ลองกรรมมือด้นะเออว่ามันก็เจ็บกันเนะาะคลายก็มาคลายกงๆกดแห่งกรรมเลยนะใช่ไหมไมันก็คลายใช่ไหมฮะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีกรรมมันก็ไม่รู้ว่าคลายคืออะไรอ่าแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เกลียดความทุกข์้วขอบคุณความทุกข์ที่ทําเห็นความว่าไม่ทุกข์มันคืออะไรเออของเว้นของคู่กันตลอดก็ก็เป็นารู้สึกว่าศาสนาพูดเป็นศาสนาของคนที่อะไรอ่ะต้องใจกล้านะค่ะแล้วขยันเนี่ย ไม่ก้าอะไอย่างาแล้วออกไปทําเนี่ยเราถึงจะเจอครับที่ชอบมากเลยคือทพระพุทธองค์ทรงส อ, งสอนเราว่าท่านท่านไม่ได้สร้างพระธรรมขึ้นมานะอืมันมีของมันอยู่นะ่ะครับแล้วท่านไปเจอท่านกลมาเล่าเราฟังคท่านก็บอกมันแล้วฝึกตามเราฝึกตามเรารรเชื้อเชิญให้มาฝึกนะไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้สั่งให้เชื่อแล้วก็ไม่เคยโจมตีศาสนาอื่นอืมผมว่าตรงเนี้ยน่ารักความน่ารัก ที่บ้านผมเ้าก็ตังวลกันว่าผมจะมามาเปลี่ยนศาสนาครับพอเปลี่ยนคนในบ้านด้วยออืครับผมก็ใช้เทคนิคผมก็คือบอกคุณแม่ว่ามันเหมือนกันทําเหมือนทําธุรกิจอ่ะครับอืมีบริษัทใหญ่อยู่สองบริษัทเนี่ยเราจะลงทุนที่บริษัทเดียวหรืออืถ้าบริษัทนี้เจ๊งล่ะอืมก็บอกแม่ว่าไอ้บริษัทที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยแต่มันก็มีความเป็นไปได้เนี่ยแล้วน่าจะแพงกักแพงก่าเข้าไ้อลง เจอ่าอ่าสองเลยจับปลาสองมือแนะ่ะจับปลาสองมื อ, อมันก็ต้องได้ตัวหนึ่งน ะ, ะ, ะจับถ้ามือแข็งแรงพอน ะ, ะมันจะต้องได้ตัวหนึ่งแม่เขาบอกแม่เขาก็กูกลัวกล้กกาเนาะครับที่ผมก็บอกแม่แม่คิดอย่างนี้สิคุณแม่ฮะอย่าคิดว่าผมเปลี่ยนศาสนาอืมคิดว่าผมเพิ่มศาสนาออืืผมเพิ่มออืคำนี้ดีคะผเพิ่มเพิ่มศาสนาแล้วตอนนี้ก็ ให้สอนทางคริสตผมก็สอนได้นะอ<ฮ>ะมั่นใจสอนทางพุทธผมก็มั่นใจนะ<อ>ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพรจ้าพูดถึงสัจธรรมเนี่ยผมก็เชื่อว่าพระเยซูก็มีสัจธรรมที่ที่เป็นสัิงจรมเหมือนกันนะอเอาท่ามากเลยและหลักศานนสน า, าอื่นก็เหมือนกันครับอืคือคือผมมองว่าเวลาเรามาเป็นพุทธเนี่ยพอเราพอเราบอกนั่นพุทธนั่นคริสตนั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดการแบ่งแยก จริงๆแล้วพระธรรมมันเป็นอะไรที่เชื่อมอยู่ในใจพวกเราเนี่ยมองไม่เห็นนะแต่มันันเดียวกันอันเดียวกันรับอืมแตัวตัวตัวความรักและความเมตตาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่แบ่งแยกพออาจารย์จิตวิชัยแล้วที่อาจาบอกว่าก็ก็เริ่มที่จะลงมือปฏิบัติแล้วอาจารย์เริ่มยังไงอะคะก็เริ่มครั้งแรกนี่ก็ธรรมะจัดสรรฮะคือหลังหัก นอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสามเดือนขยับตัวไม่ได้โอนี่คือเป็นเหมือนกับคล้ายๆเอมตะพลึกเหรอคะคือกระดูกหลังมันจะมันเล้าเลยค่ะขยับตัวมันจะเจ็บแป๊บๆ<อ>คุณหมอก็เลยให้นอนระหว่างนอนเนี่ยมันก็ภาษาจีนที่เรียกว่าเจ็ดป้าบ่อเสือคือกินอิ่มไม่มีอะไรทำํำมันเจ็บป้าบ่อเสือนะต <laughs> ้องขอบคุณคุณน้าผมที่อยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะท่านก็เอาหนังสือธรรมะของหลวงปู่หลวงพ่อมา ไอ้เราก็นอนนิ่งๆขยับไม่ได้เนาะก็เปิดเทปฟังผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสไหนๆก็นอนอย่างเงี้ยทาอะไรไม่ได้เนาะฝึกมันซะเลยอืมก็นึกถึงอารพุทธทาสสุดท้ายก็ต้องอนาปนสติอะครับก็หัดสิ้นคิดให้คิดเรื่องเดือดลมไปก่อนให้เดือดร้องหายใจแล้วพอเดินจงกรมผมว่าเอ๊ะจะเดินจงกรมทํำยังไงดีครับโทษทีนะศมนย์นี้เป็นฝาเท้านะผมฝาเท้าผมนอนอยู่บนเตียงเนี่ยผมก็อย่างเงี้ย พุทโทพุทธโทนิ้วผมก็จะเดินที่ขอบเตียงนะฮะอืมพุทโทพุทธโทแล้วก็ดีดความคิดออกอืมลองลองฝึกไม่คิดดูลองอลองเฝึกให้มันอยู่กับพุทโทให้ได้พุทโทให้ได้อยู่กับพุทโทให้ได้นั่งซ้อมอยู่เป็นเอือนดอหดหดไหมฮะไม่ต้องหดหดครับ หมึกหมัดแต่ลูกบ้าตรงเ้อะครับผมว่าศาสนาพุทอขอขออย่างหนึ่งก็คือว่าหัดสิ้นคิดไปก่อนทําทําทําทําเมื่อก่อนผมตีกอล์ฟตีเทนนิสกว่าจะตีกอล์ฟเป็นกว่าจะตีเทนนิสเป็นเนี่ยทั้งน็อกบอร์ดทั้งหุ่นแหลกหลานเนี้ทําไมเราบ้ากีฬาได้เนาะคราวนี้ขอบ้าปฏิบัติทําดู่บ้างเพราะผมเชื่อว่าเรื่องทางศาสนาพุทธเป็นกีฬาอืับหมายความว่าต้องใช้ความพยายามเหมือนกีฬาหนึ่งศรัทธามันก่อน ชอบอันฉะนั้นทําซ้ํําจาซ้าซ้ําซ้ําซ้ำในช่วงนี้จะมีความคิดโง้อบอกเลิกเถอะเลิกไปก่อนไปมครับทซ้าทําซับแล้วเราเจออะไรบ้างได้ผลอะไรบ้างค่ะหลังจะได้มีหุ่ติดมีความคิดมีอะไรเข้ามาเห็นประโยชน์อะไรบ้างไหมฮะได้ประโยชน์อะไรบ้างก็คุ้มค่าได้ตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นยังความคิดนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจุดอ่อนของคนเรียนหนังสือสูงๆอย่างผมนะก็คือคิดมากอืม และยิ่งจบด็อกเตอร์เนี่ยข้อเสียคือมันกลายเป็นคิดในกาเล่าอืยเรากลายไปเชื่อว่าตัวเราเก่งสุดในโลกเนออันนี้อันตรายที่สุดสุดท้ายคนเรียนเก่งอย่างพวกผมเนี่ยมันกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอืมพอมันจะคิดนอกกรอบปั๊บมันก็จะอไม่ได้ไม่มีเอกสารอ้างอิงไม่ฟุตโนตไม่มีฟุตโนตไม่เชื่อเลยไม่เชื่อมันฆ่าตัวเองเลยนะมันเหมือนมีเชือกเหมือนมีตราสั่งมมัดอะ คนเรียนสูงมากๆเหมือนกันแล้วผมว่าน่าจะมีอัตรานะผมเจอหลายคนที่เขาเรียนสูงนะเขาจะมีกรอบความคิดชัดเจนว่าเขาแน่ๆมากนะฮะนอกจากกรอบนี้ไม่จริงไม่มีไม่ไร้ซึ่งประโยชน์ค่ะคนนั้นใช่ใครที่ไหนผมเองใช่ไหมเดินสองกระจบผมเองนี่แหละเดินไปเดินมาเอ้าเราเองเหรอมันมีโอกาสเป็นเงินได้สูงนะครับยิ่งเราอายุมากขึ้นเน่ย เรายิ่งเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นน่ะผมว่าเราเหมือนโดนตราสังมัดเลยมัดตัวเองให้อยู่ในกาลารเลยมองไม่เห็นเลยมันต้องใช้ความกล้าอย่างมากศาสนาพูดเป็นศาสนาของคนกล้านะออืกล้าคนกล้าคนที่มีความขยันจริงๆอิงอ่ะก็ออกมาอา จ, จ้านอนอยู่ที่โรงพยาบาล น, นานไหมคะสามเดือนครึ่งสา ม, มเดือนครึง่งมันั่งรถเข็นต่อปีหนึ่งอั่งดเข็นแล้วก็มาถือไม้เท้ากระเพกกระเพ ก, กอีกปีนึงนะออือ ช่วงนั่งรถเข็นนี่ก็ผมก็สิ้นหวังกับแพทย์ตะวันตกกอสมควรนะฮะเพราะคำตอบที่ได้อย่างแพทย์ตะวันตกส่วนใหญ่ก็คือไม่หายอือเพราะเมื่อเราเป็นวิศวะนะผมขอโปรเจกต์แผนขอแผนการรักษาทั้งหมดอืหมอบอกไม่มีแต่เราคนเจ็บนะฮะเราภาษาอังกฤษเรื่องวันวัตซิงทูรูสคือมันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วอยังไงก็นั่งรถเข็นอยู่แล้วใช่ไหมยังไงก็นั่งกับเพจกับเพจอย่างเงี้ยก็เลยมาศึกษาทางแพทย์ตะวันออก พอ ม, มาเจอแพทย์ตะวันออกเนี่ยเชื่อไหมครับแพทย์ตะวันออกหรือแพทย์แผนโบราณไทยเนี่ยนะอย่างผู้การโสพลขาวสมรวยเนี่ยท่านจะเป็นหอนวดอะนวดอะระหว่างนวดเนี่ยแพทย์โบราณชอบสอนธรรมะสังเกตไหมใช่ใช่นะ <laughs> ผมเออขอบคุณผู้การโสพลด้วยนะท่านท่านก็สอนผมเรื่องธรรมะแล้วก็พาพาไปเจอหลวงปู่จันทาถาวโร งางก็เลยได้บวชกับท่านอด้บวชบวชสิบห้าวันตอนนั้นคือสุขภาพหายดีละกายก็ใช้ไม่เท้าบ้างไม่ใช่บ้างและเริ่มกระเพกกระเพกกระเพกะเพกเนาะก็ยังกลัวว่าจะไม่ได้บวชที่ซ้ำไปนะครับแต่หลวงปู่ให้ก็อนุญาตนะครับบวนก่อนบวชนี่สามเดือนก่อนบวชผมซ้อมก่อนซ้อมถือศิลปะแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิ มันกเดินจงกรมครั้งแรกไม่จําได้เลยฮะเดินจงกรมที่โ ร, ง, รงแรมที่จังหวัดตรังนะอืมผมกม็ว่าตั้งใจว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงมคือคือหลวงปู่เชนทานท่านสอนในเรื่องของสัตจ่ะคือถ้าตั้งสัจว์จะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วห้ามเกินแล้วก็ห้ามขาดก็เดินได้นะคห้านาทีแรกดูนาฬิกาครั้งหนึ่งนาทีที่หกดูนาฬิกาอคือความคิดมนุษย์เนี่ยมันมันเยอะนะ เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยในเบสิกหรือเบื้องต้ น, นแรกๆต่อสู้กับความคิดทั้งนั้นก็ได้เลยที่ในการปวดภาระเยอะมากคื<ณ>ค<ณ>ออาจารย์สุดยอดมากคือ สามารถที่จะชนะใจชนะเสียงภายในของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นแอ บ, บว่ามันลําบากมากนะคะหลาหลายคนที่ปฏิบัติอยู่ก็จะรู้เลยว่ามันต้องเข้มแข็งอย่างมากเลยใช่งั้นใครที่กําลังปฏิบัติเนี่ยผมผมอยากแชแนละให้ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเลยนะค่ะ<า>แล้วเดินอตอนนั้นเจ็บหลังด้วยนะครับหลังมันไมค่อยดีคุณสุภขขาพก็ไม่ได้แข็งแรงใน ม, มากเดินไปก็เจ็บไปบอืแต่เชื่อไหะในท่ามกลางความเจ็บเนี่ยมันกับ ในวิกฤตมันมีโอกาสนะทุกครั้งที่เจ็บหลังแป๊บๆเนี่ยสติมันกลับมาอยู่กับกายจิตมันไม่ได้สศกออกนอกไปไปมาแล้วความเจ็บปวดบนร่างกายกลับเป็นครูอาจารย์ที่สอนผมให้อยู่กับร่างกายแล้วก็หัดสิ้นคิดซะอือย่าไปกังวลว่าอุ้ยเดินมากๆเดี๋ยวเราจะเดินไม่ได้หรือเปล่าอ้มันเจ็บอย่างนี้มันหนักเกินไปหรือเปล่าอุ้ยยาดีกว่านั่งเหงื่ออะไรตัวนี้แหละตัวลายเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาแบบใช่ไหะทีผมก็ไม่ ไม่ไม่ค่อยอยากศึกะนะแต่ว่าศึกเคอะเพราะว่าลุงปู่ท่านก็สอนดีธรรมะธรรมะมนอยู่ทุกขนแห่งนะจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระเนี่ยมันก็อยู่ในใจเจ้าใช่ไหมฮ ะ, ะท่านก็บอกถ้าเป็นพระแล้วจิตยังออกอาการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เห็นโจทย์แบบพระ ครับไม่ถึงโจทย์ที่เอามาฝึกส ต, ติอ่ะมันเป็นคาราวาสเนี่ยมันก็เห็นโจทย์อย่างคาราวาสครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่เป็นอะไรประเด็นอยู่คือเมื่อโจทย์เข้ามาและเจ้าศึกษาโจทย์นั้นหรือเปล่าอืมใช่ไหมฮะแล้วผมก็ออกมาแล้วาักหนึ่งแล้วหลวงปู่เจนทาน่ารักมากครับ่าคล้ายๆกับไล่ผมว่าไปหายงงเคาะหนึ่งได้ไหมเออทำไมหลวงปู่ไล่ผมผมก็น้อยใจเหมือนกันนะครับแล้วหลวงปู่บอกไปแล้วผมเลยไปเจอหลวงพ่อกล้วย ก็เลยมีอาจารย์สองสององค์ก็เจอหลวงพ่อกล้วยนี่ก็น่ารักมากเอินท่านให้ผมเ็้าป่าชาเลยทีนี้มาอยู่ในโลกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นป่าเร็วคือทุกอย่างวิ่งเข้ามาหาเราเร็วมากมันดูไม่ทันดูขันห้าไม่ทันจำหนังเรื่องแมทริกซ์ได้ไหมฮะไอกระสุนที่กิเละที่ใส่แว่นดำาอ่เจอสมิธมันยิงมาเนี่ย อยู่อย่างนี้กระสุนยิงมาเป็นปืนกลเลยทุนทั้งล่างเลยอืทุนเลยก็คือโดนกิเลสครอบอทั้งวันทีนี้ไปป่าช้าเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่ง <c oughs> มันเหลือเรื่องเดียวให้ให้คิดอผีเท่านั้น <c oughs> ไม่ได้ผีเลยแล้วกระสุนมันก็เลยยิงมาเม็ดเดียวอืมมันเลยเป็นป่าช้าพอากระสุนยิงเม็ดเดียวเนี่ยก็เลยจับความคิดได้ทันมันจะเหมือนตอนที่นีโอจับกระสุนได้ทันนะ่ะเพราะมันช้าช้าพอที่เราจะจับ พะฉะนันวลาไปป่าช้าไปบ้านร้าง <c oughs> ไปทุ่งโลง่งหรือโคนต้นไม้เนี่ยที่พระเจ้าสงสอนไว้เนี่ยจริงๆแล้วก็เพื่อเพื่อให้เห็นเห็นชัดๆเห็นว่าความคิดเนี่ยมันมาชนจิตเราเนี่ยแล้วก่อให้เกิดอาการได้ยังไงถ้าถ้าเกิดเราจาับจับความคิดตรงนี้ได้ทันนะจิตเราก็จะรักษาความว่างที่อาจารย์พูดเจ้าบอกความว่างเนี่ยอไอ้ตัวแสบเลยที่มีปัญหาเราทุกวันนี้คือไอ้ตัวความคิด มันมาเร็วมากนะออืพอกระแทกเราปั้งเนี่ยเราจะจี๊ดปรี๊ดเลยจีตีหรือไม่ก็หลงไหลเลยหลไหลหรือไม่ก็ฮึกเหิมฮึกเดิมเลยหมดเลยประจิตตัวนี้มันขยับมากๆเนี่ยขยับครั้งหนึ่งมันก็เกิดเป็นปฏิปฏิจจสมุตตปากทันทีเลยอคนทุกครั้งที่มันเกิดมันก็ก่อเหตุอืก่อเหตุทําให้ชาติต่อไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดออืเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะพ้นทุกข์กันจริงๆเนี่ย ตัวจิตมันต้องนิ่งใช่ไหมดังนั้นก็ต้องระวังความคิดตัวเนี้ยอืมที่ตัวที่มันมาป่วนเนี่ยคิดได้ร้า ย, ายนะแต่ถ้าเกิดเป็นความคิดดีๆเนี่ยความคิดที่เป็นประโยชน์ความคิดที่เป็นกุศลโอเคเราก็จะอยู่กับความคิดเนี่ยมไม่แตกหนีไปทางด้านไหนอืนิ่งๆอืมผมผมนอนตรง คนมีสารเขาจะทําเป็นกระท้ายกับบรรไดคู่ขึ้นมาใช่ไหมตรงกลางอลยศพก็องฟอนอ่าองฟอนครับเป็นปูนเก่าๆเนี่ยผมไม่นอนบนบนเทินนี้เลยอสมมุติว่าเราตายแล้วผมก็นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกได้นะออืนอนแล้วก็มองดนูพระจันทร์น่ะครับแล้วก็มันก็มีเมฆมิ่งเข้ามาเมฆมุ่งเข้ามาบังอย่างเนี้ยดังนั้นข้อธรรมที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าอ๋อใจเราที่มันไม่กระจ่างเนี่ย ฉันไม่ ก, กระจ่างจริงๆแล้วเมฆเนี่ยมันทําไมฮะมันมบาบางอืแต่เราเป็นนักนักวิทยศาศาสตร์นาซาเนี่ยเมฆเนี่ยสูงเกินกคนเราไม่ถึงกิโลเมตรหรอกจริงๆแล้วเมฆมันไม่ได้บางอเราอยู่ในโลกเนี่ยมันถึงบางใช่ไหม่าจารย์รเขาก็สว่างเขากั้นแหละแต่เรายืนอยู่จุดนี้เท่านั้นเองก็เลยปิ๊งอ๋อเรามันหลงนี่เองไอตัวหลงนี่เอง แล้วหลงอะไรที่มือบางก็ความคิดทั้งนั้นนั่นแหละเป็นเข้าใจอ๋อไ อ, อที่มาหลงกลัวผีหลงเกิดหลงตายเนี่ยใครก็ไม่รู้สั่งให้เราจำเรื่องพวกเนี้ยอืใครก็ไม่รู้มาบอกบอกบอกบอกเล่ากันเน่ยบอกเล่าผ่านตัวหนังสือบอกเล่าผ่านทีวีบอกเล่านแต่มันไม่ใช่ความจริงที่เราเจอเลยเพราะศาสนา พ, พุทธมันต้องออกไปทำบ อ, อ, อกไปเจออออ่ะอื ม, ะมาบอกว่าส้มตําอร่อยเนี่ย มันไม่รู้นะครับจนกว่าเราจะชิมชิมส้มตำไอ้วถ้าเก่งกว่านั้นนี่คือตำส้มตําเองเป็นมันถึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองอร่อยจะทําเำจนคนทํำยังไงมันทํำยังไงมันต้องสุดท้ายศาสนะพุดผมว่ามันวทําทำนี้เยอะเหอแล้วกลับมาคุยกันศาสนาพุทธนี่มันแค่อ่านอย่างเดวไม่ได้จริงๆมันต้องลงไปทํามันต้องเห็นจริงๆอะว่า ขันห้ามันคืออะไรเอารูปคืออย่างนี้เวทนาเ็นอย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้วพอเขาพูดเนี่ยเพื่อนมาเจอเพื่อนบอกว่าเนี่ยรู้หมดแล้วอืมเราจะพูดอะไรต่อเลยค่ะใช่รู้หมดแล้วจบแล้วรู้หมดแล้วแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะอะไรเงี้ยรู้หมดแล้วแล้วไงล่ะได้อะไรล่ะเราเอก็ขันยอะก็ไปทําไม่เอาก็รู้หมดแล้วก็ไปทําทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มาของเล่นนี้แหละจะสรุปอาจารย์เจอผีไหมฮะอยู่นี่ผีมนั่งอยู่เนี่ย ผีบ้านั่งใช่เนี่ยใส่เสื้อนะเพราะว่าโดนหลอกว่ะแล้วก็แปลกนะเออถ้าผีฝรั่งนี่ใช้หัวหอมมันจะขิับมไมกางเขนถ้าสมมติว่าฝรั่งตายในเมืองไทยแล้วแล้วแล้วเราไปนอนบ้านฝรั่งแล้วฝรั่งมาหลอกเราเนี่ยเราจะใช้พระใบนาใบนาไม่ใช้หัวหอมแลอาจารย์อักุปเด่นนี่นะอาจารย์ผมคนนิดนึงอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะและอาจารย์มีสนใจในเรื่องของจิตปิญญาณ ผมเ น, เนี่ยอยู่กับ น, นักศึกษาเยอะใช่ไหมนักศึกษาสมัยใหม่เนี่ยออือจะค่อนข้างเป็นโมเดลใช่ไหมสมัยใหม่อ่าโอ้ยเทคโนโลโ ย, ยีนะก้าวหน้ากว่าเราเยอะมากนะฮะแต่กลัวผีมากกว่าผมเยอะมากอาจารย์ <c oughs> เป็นเพราะอะไรอาจารย์มันตอบยากนะเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่อะไรหนึ่งพกกลัวแล้วมันดูเท่มันมีหลายสายเหตุเออกลัวแล้วเรียกร้องความสนใจคนได้มากขึ้นเออหรืออันนึ่งก็ต้องชมชมคนทาหนังสมัยนี้ว่า สมมผีมีจริงนะแล้วใช้หนังพวกนี้ให้ดูว่าผีมันยังกลัวเลยมันตอบย้ำใช่ไหมตอบย้ำใช่ไหมจนกระทั่งมันเชื่อว่าจริงใช่ไหมเออมันไปซ็นซ้ำๆทีนี้ในสมองของเราเนี่ยมันมีเซลล์ประสาทชื่อมินเลอร์นิวลองมันจะจำฝังๆฝังๆไว้ทั้งพูดเรียกสัญญาอือพรพอฝังมากๆแล้วมีคนเชื่อกันมากๆว่านี่คือความกลัวความกลัวอืแล้วเขาปวดขึ้นมาคค่ะรับแต่จริงแล้วพวกเขาไม่รู้ความกลัวที่แท้จริงมันคืออะไรไงคความกลัวที่แท้จริงก็คือกลัวตาย กลัวสิ่งที่ไม่รู้ข้างหน้าคืออะไรตรงนี้ไงแต่ว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยไม่ได้สอนให้คนออกไปกระทำแต่คนสอนบอกให้เชื่อในสิ่งที่ฉันสอนแล้วครูเองก็ไม่รู้อะไรเป็นการก็ฉันสอนกระมาเป็นรุ่นรุ่นไงเด็กก็เลยมีความว่าเอ้ยก็เลยไม่ไม่สืบค้นต่อก็เลยไม่ไปลงมือกระทำเพื่อจะให้เรียนรู้หรือไปทำก็ทำผิดถูกนะก็คือไม่มี กูรูหรือไม่มีบัณฑิตเนี่ยไม่มีผู้ชี้ทางนิพานเป็นผู้ชี้นำไหนก็พูดถึงเรื่องเด็กแล้วนะคะเมื่อตอนต้นของรายการเราก็พูดถึงเรื่องของเด็กเช่นเดียวกันแอาจารย์ก็ก็มีลูกสองคนนะคะอถ้าเราพาเด็กๆหรือว่าตอนที่มี ม, ม, มีน้องก็งเด็กอยู่ในท้อง อ, อะไรเงี้ยนะคะพาเข้าไปวัดหรือสอนสันดีๆอันนี้ก็น่าจะมีผลสิคะในเมื่อเราเคยบอกว่ า, วาความเชื่อที่กลัวๆหรือไม่ดีเด็กยังยังเชื่อได้ยังกลัวได้เลยนั่นถ้าเราส่งสัดีเข้าไป ตั้งแต่เด็กๆมันก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่ไม่ถึงกับร้อเอร์เซ็นนะผมว่าให้เห็นให้เขาเห็นทั้งดีให้เห็นทั้งร้ายแล้วกลับมาประสัยสารเรามาโซเลกันน่ะมาไดอะล็อกกันน่ะอต่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะใช้คําว่าสอบอารมณ์คือผมว่าถ้าเราไปสอนดีอย่างเดียวมากๆนะอืร้ายนี่มันเสน่ห์มันแรงนะออืเพราอยู่ในความดีมาตลอดพอเจอร้ายมายั่วแป๊บเดีวติดใจกันหันหันเลยอืใช่ไหม ทำไมเราไม่เขาเขาเห็นร้ายเห็นดีแต่เราก็มองให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงมันคืออะไรไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมฮะให้เขาเห็นว่าอ๋อลายเนี่ยมันทําร้ายอะไรไปบ้างดีเนี่ยพอติดยึดมากๆมันก็จะไปลังเกียจร้ายสุดท้ายเราแบ่งขั้วดีกับร้ายออืเราก็จะเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะทั้งดีและลายทําไมเราไม่ถอยออกไปเป็นผู้ดู พูดูว่าอ๋ออันนี้กุศนอันนี้อ่ะกค่ะสุดท้ายคำสิิตให้ผงใสค่ะดีดกุศลอืนกูสนทำแต่ก็ไม่ยึดค่ะทําไปเรื่อยๆไม่คิดมากแต่อกุศลแมวแน่นอนคือให้เขาเห็นทั้งสองทางให้เขาเห็นทั้งสองทางบางทีเราอยู่ในในความดีในกุศลนะแต่สิ่นด ท, ทําไปเนี่กับเรีวร้ายนะคะใช่ที่เลศมันอ้อมหลังมาอามันวนมันวนกลับมาอยู่หลังคนดีนะจริงๆแล้วสเก็ตหลังจีนกาลังภายในเลย ตัวคุณจะทหถุงสูงมาตอนจบตัวโก้ให้ับโ ก, โ ก, โกแ้โกแค่นั้นเลยออไล่ตัวไล่ไ่สุดท้ายกลับใจบวชเป็นพระเออคือมันเป็นหินหยางเนี่ยเป็นวัตถจักรอะไรเงี้ยอืมแต่สุดท้ายคําตอบมันคือถ้าแผ่นกลมๆตรงนี้เป็นหินหยางเนีแผ่นกลมทีม่ว่นั้นเป็นดีน<ะ>เป็นดีแล้วลายดีแลนิพานมันคือกลับมาอยู่ตรงกลางเป็นผู้ดูอยู่ตรงกลางเพราะตรงนี้จะไม่หมุนเลยอืตรงกลางนะครับปั่นในที่วงกลมเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะนิ่งสุดออนิพานก็คือจิตเราไม่กุศลและจิตเราก็ไม่อกุศลเนะ พ่อมีชั่วเนี่ยทุกวันเนี่ยมีคนชอบบอกนักการเมืองชั่วอะไรชั่วๆเ ช, <ม>ชื่อไหมครับพ่อมีคนชั่วพวกเนี้ยมันให้คนกลุ่มนึงเห็นสัจธรรมนะอื<ม>ในความชั่วของเขามีความดีคือเขาสอน<ม>ให้เห็นว่าชั่วคือแบบนี้เห็นไห ม, <laughs> มครับแสดงว่าเราก็สอนเด็กนี้คือหมายความว่า ให้เขาเนี่ยเห็นเห็นโลกทั้งด้านทุกด้านน่นะคะแล้วก็บอกเขากำกับเขาให้เขาแบ่งแยกแบ่งแยกและเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะ ถ้าเราบอกอะไรเนี่ยเขาจะทําตรงข้ามหมดเอออืมเราเราผมว่าเราเราควรจะคุยกันอย่างผู้ใหญ่เนี่ยอย่างนั่นคุยกันอย่างงี้เขาเรียกว่าสุนทรียสัมพันืนาฟังว่าเธอคิดอะไรเธอคิดยังไงคิดยังไงเชื่อไหมในจิตใจมนุษย์ลึกๆที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาแยกออกกูสน่ะกุศลค่ะแต่ทุกวันนี้คนที่มันทําชั่วมากๆเนี่ยมันเกิดจากคนดีไปบีบเขาจนไม่มีพื้นที่ให้ทําอะไรได้อีกแล้วเฉยประชดอืมการประชด มันมีงานวิจัยออกมาเท่าที่ผมเจอถ้าไม่ผิดนะฮะเด็กที่สร้างปัญหาในสังคมตอนนี้ไม่ใช่ลูกคนจนอืมไม่ใช่ลูกคนในสลัมนะค่ะแต่ต่มาจากลูกของบ้านที่ไม่มีเวลาคุยกันก็คือพวกชนชั้นทำงานจะมีเงินแต่ยุ่งเข้าไปใหญ่เลยมีเงินยยุ่งเข้าไปใหแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่มีเงินเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็เก่งในยุคของเราอืมแต่เราก็จะมีขีดจํากัด เด็กเนี่ยเขาก็จะมีเซนส์หรือมีแนวคิดของเขาเนี่ยทําไมเราสองคนไม่มาเรียกว่ามา ม, มาคุยกันนะบางทีฉันใช้แบบเธอก็ได้เธอใช้แบบชั้นก็ได้นะมผมว่าเราสอนเด็กเนี่ยสอนได้เต็มที่อย่างมากก็ให้ชี้ให้เห็นว่านี่กูสอนนะกูสอนชี้ให้เห็นพระธรรมมากกว่าอย่าไปสอนมากกว่านี้เลยที่เหลือผมว่าเราฟังเขาบ้างอในที่อาจารย์พูดเมื่นะอกี้ในทอ้ายพูดเมื่อกี้ก็น่าสนใจนะที่บอกว่าเด็กสมัยนี้ก็บอกเขาทําทสมัยใช่ไืมแต่เชื่อไหม ไปอีกร้อปีเนี่ยคนร้อยปีก่อนก็จะมองว่าเด็กยุคนี้ยอืก็เป็นนอกไม่ทันสมัยสมมตินะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือเชยอ่ะอืคือผมว่าทุกอย่างเป็นพลวัตอ่ะอืมใช่ไหมฮะอี่ยตอนนี้เราก็บอกว่าคนกรุงเทพทันสมัยคนแต่งจังหวัดเป็นคนบ้านนอกระเป็นโลกอนาคตเนี่ยอืในโลกอนาคตตอนที่ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มหมดเนี่ยตอนที่เราพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นตัวทําลายโลกมากขึ้นเรื่อยเรื่อยสุดท้ายอ่ะคนบป็นนอกระหือคนทันสมัยนะ น, นักการตลาดที่ดังที่สุดของโลกนะชื่อคอตเลอร์ ใ, ใครเรียนการตลาดจะรู้จักคอตเลอร์คอตเตอร์ปล่อยหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อมา r ์ e t i n g 3.0 สามจุดศูนย์การตลาดสาจุดศูนย์พูดเรื่องจิตวิญ ญ, ญาณฝรั่งมันเปลี่ยนจริงนะอาจารย์สอนสอนลูกของอาจารย์ยังไงฮะไม่สอนไม่สอนภรรยานคนนอนต้องเข้าใจนะใครใหญ่นะลูกผิปัญหามาคุยกัอาจารย์นะวิธีสอนลูกผมว่า เอาง่ายๆนะทำตัวให้เป็นตัวอย่างอ่ะคือผมเชื่อว่าในโลกของเด็กๆทุกวันเนี้ยมันเหมือนเดินในทะเลทรายอ่ะหรือเดินในป่าที่มันหาของกินยากผมจะทำตัวผมเป็นโอเอซิสอยู่เฉยๆไม่ต้องไดเรกเซลไม่ต้องไปกวักมือเรียกลูกๆมาอยู่เฉยๆแต่ให้ลูกรู้ว่าหิวโหยกระหายมาที่นี่มาตรงนี้ขอบป่าคุยได้ทุกเรื่อง คุยได้ทุกเรื่องจริงๆค่ะหรือเดินในป่าหาของกินไม่ได้นะมาหาพ่อผมว่าผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญคแล้วก็เขาก็ฝากคุณพ่อทั้งหลายว่าอยากจะให้ลูกรักตัวเราเนี่ยอย่าเป็นโอหิสิทในทะเลทรายของลูกเนี่ยตจงพูดถึงแม่เขาดีๆคือแม่ของเขาเมียเราเนี่ยอืชมภรรยาของเราบอร่อยๆอืแล้วเขาเขาจะเริ่มอะพวกเดียวกันอื่ไมฮะเพราเขาสนิทกับแม่ใช่ พวกนี้เดี๋ยวไปนี่เขาใช้จีบกันยากจีบวิทยาจิตวิทยาในบ้านอ๋อนะฮะจีบแฟนไม่ยากหรอกจีบลูกสาว่ยากกว่าอให้ให้ลูกสาวเห็นเราเป็นโออซิสอ่ะมีอะไรกลับมาปรึกษานี่ยากแต่ทุกอย่างเราจะไม่ใช่นะเราจะกลายเป็นไอ้กรงแดงในโออซิสกระทะทองแดงในซาเลทซายอ่ะเขาจะเห็นเราเป็นอะไรก็วายรู้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเสร็จนะลองคิดดูนะลูกกลับมาบ้านอืมได้เกรดเท่าไหร่ อืนั่งหลังตรงกินผักคือเ <c oughs> ขาน่าจะมาอีกไหมฮะออืเขาก็ไม่อยากมามันจะผิดเขาเลยมันมีจะเรื่องให้จับผิดบางทีเขาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วระบบการศึกษาไทยมันเหมือนปากระป๋องอ่ะกดดันกันตั้งแต่เช้าจดเย็นพอมาถึงบ้านกิเลศพ่อแม่ไงคือผิดหวังจากแพทย์และวิศวะก็เลยอยากให้ลูกเป็นแพทย์และวิศวะออืนี่เด็กเรียนเก่งปัญหามันคือเลยฮะทางเลือกน้อยทันทีออืเด็กเก่งมากถึงทางเลือกสองทางคือแพทย์กับวิศวะค่ะ ประเทศอื่นเขาไม่มีนะฮะประเทศอื่นนี่เพ้าว่าเด็กมันเครียดพอเครียดแล้วจะมาสร้างอัจฉรกรรมตอนโตอืพอเครียดแล้วจะมาสร้างเรียกว่าบ้าบอตอนโตผมว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีดีก็มีเสียพลนกันเนาะแต่เด็กเขายังไม่รู้เนี่ยทําไมเราไม่เป็นหัวหอกหัวหมูทะลวงฟันเนี่ยอลงไป <S <S ที่อะไรนะฮะหัวหมูทะลวงฟันอืมเราเป็นคำศัพท์ของนักงบโบราณอ่ะเวลาพ่อมายกทัพมาเห็นไหมพ่อมาหรืประเทศไหนก็ช่างนะสมมตินะหนึ่งเลยไม่ออก ทับสวยแบบมากเลยใช่ไหมเฮ้หัวหมูทะลวงฟันอย่างเงี้ยจะมีลูกน้องประมาณห้าร้อยคนจะวิ่งเข้าไปทําลายที่เขาตั้งทับผิวสวยแล้วก็เผ็ดหนีไปเลยหัวหมูทะลวงฟันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับคนที่ชขาพิชินให้ลูกดูก่อนแต่เราไม่ทําไงเราจะยืนอยู่บนหอคอยงาช้างเอาพอลูกเล่นอินเทอร์เน็ตก็ว่าลูกละเด็กเขาไม่ได้โกรธพ่อแม่ที่ว่าเขาไม่เรื่องเนอินเทอร์เน็ตนะเขาโกรธที่แม่ไม่เข้าใจฉันเห็นใช่ปะช่วงเลยจากเคยเป็นอาจารย์สอนศึกษาด้วยค่ะ อาจารย์ก็ไม่รู้แบบของของการสอนไม่ไม่เหมือนกับ ค, คุณครูคือนอกกรอบไปเลยเพราะอาจารย์คิดนอกกรอบมาแล้วนี่อาจารย์ก็คิดนอกกรอบไปเรื่อยๆเลยทีนี้นไงฮะอาจารย์สอนนีไ่ไงนอกกรอบจริงๆผมไม่ได้นอกกรอบนะผม อ, อ, อยู่ในกรอบนะแต่คนทั้งเหลือคนทั้งหมดเนะี่ยเขานอกกรอบกันอยู่อันนี้เรกรอบใหญ่เลยล่ะก็ไม่มีอะไรฮะผมมองเห็นว่าเด็กวิศวะเนี่ยมันคือเด็กกวดวิชาพ่อแม่รวยๆก็เอนติ เรีย้านติดเนี่มใครมีเงินอยู่นี้ก็เรียนวิศวะได้อืมผมก็เอ๊ะท่านี้มันไม่ถูกผมจะทําพิสูจน์ให้ดูว่าการเรียนการสอนมันผิดหมดเลยผมก็เลยออกข้อสอบไม่ง่ายฮะออกครั้งแรกเลยเนาะจงออกข้อสอบเองพร้อมเฉลยอืมบอกเด็กล่วงหน้าถึงสองเดือนอืมชว่าเด็กวิศวะเด็กเรียนเก่งทั้งหมดเลยเนาะเจ็ด้อยหกิบคนศูนย์หมดเลยเด็กช็อกโลกกันทําไม่ได้ โอเคมันพิสูจน์แล้วเด็กพวกนี้ไม่ใช่เด็กพวกนี้เป็นพวกอีแล้งกินของตายหากินเองไม่เป็นอืเป็นลูกอีแร้งต่างหากคือแม่อีแล้งไปกินของตายแล้วค่ามาให้ลูกเด็กพวกนี้ชอบให้ป้อนพอโตขึ้นจบไปก็ประเทศไทยไปไม่รอดไงคิดไม่เป็นไงเพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เคยเปิดพื้นที่เล็กๆให้มู้มูวได้ลองไงทุกอย่างห้ามพลาดห้ามพรา ด, าาดทั้งว่าสุดท้ายพราดทั้งใหญ่อันนี้สอบออกข้อสอบใหม่นะเด็กพิศวะ ปั้นจันรไปอยู่บนยอดหลังคาตึกได้อย่างไรต่อเข้ามาอย่างฉลาดมากเลยครับเอาคอปเตอร์ไปวางอในแย่ศูนย์อืใช่ไหมค้ับคือแล้วผมบอกข้อสอบล่วงหน้าทั้งสองเดือนนะออผมบอกนะผมเลียกทั้งสาวกับน้องๆนะน้องๆอยากจะรู้ว่าปั้นจันร์อยู่บนยอดตึกยังไงให้ไปสืบค้นอืมเนี่ยก็เดินไปรอบจุฬาสยามสแควร์ก่อสร้างเต็มไปหมดครับไปถามชาวชาวบ้านไปถามคนงานก่อสร้างว่าทำยังไงอื สเดือนผ่านไปไม่มีใครไปเลยะอืบพอเขาสอบออกมาก็ทํากันไม่ได้อืมศูนย์หมดเลยอืมอ ม, มีมีผู้หญิงคนหนึ่งทําได้ผมก็เลยไปสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงคนนี้ว่าทําไมเธอทำข้อสอบอาจารย์ได้พวกวง่ายจะตายค่ะมันมีอาจารย์หล่อๆอยู่ภาควิศวโยธาหนูก็ใช้มายาหญิงไปถามมาหัวใจอ่ออะก็ถ <c oughs> ือก็ก็ถือว่าฉลาดล่ะโอเคผมก็ถือว่าโอเคใช้ได้ก็ยังชมนะ ออมันก็ดีในระดับหนึ่งเอาไปซีแล้วกันดีครึ่งเดียวเดียวอยู่การค้นคว้าหาวิธีแล้วอาจารย์เริ่มเริ่มสอนเกี่ยวกับธรรมะจริงจังเหรอเมื่อไหร่คะอาจารย์จนกรทั่งมีมีหนังสือแล้วผู้คนก็เริ่มรู้จักอาจารย์มากขึ้นก็เริ่มเขียนตอนที่ในเว็บบอร์ดก่อนในเว็บบอร์ดธรรมะก่อนค่ะค่อยๆเขียนเขียนแล้วก็มีคนก็ให้รวมเล่มผมก็ไม่รู้ว่าหนังสือธรรมะที่ผมเขียนนี่ผิดหรือถูกนะแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยเจตนาเนี่ยผมก็เชื่อได้ว่า ทู si สิ่งอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นธรรมะมันอยู่ที่เราทำหรือเปล่าทำมากเลยว่าทํามทำไมทำไมทำไหมทำนาทีเดียวธรรมะรรมะไม่ใช่ว่าอ่านไม่อ่านหมไม่ใช่อ่านไหมอ่านหมรู้รู้ไหมรู้หมดแต่ไม่ไ evet. ด้ทำต้องทำแต่อาจารย์ดีนะธรรมะธรรมะคือมามเนี่ยได้ข้างหลังธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะหนังสือมันเป็นแค่จุดเริ่มมันอาจจะมีผิดก็ได้ผมก็เขียนผิดได้ผมก็เชื่อว่าแม้นพาอรหันท่านเขียนถูกเน แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสืออืประเด็นอยู่ที่ว่าใครตีความไงสมมุติว่าเราตอนเป็นเด็ ก, ดกนะอายุยี่สิบตอ น, นั้นอ่านหนังสือกําลังภายในแต่ตอนนี้อายุห้าสิบอ่านกําลังภายในไม่เหมือนกันเลยนะอืคนเราก็เหมือนกันฮนะสุขภาพจิตเรายังไม่ดีเลยเราเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณเราไปอ่านหนังสือธรรมะอืมเราก็จะตีความแบบหนึง่งถูกไหมเอาปูมาอ่านก็ตีความแบบหนึง่งปูมันไม่เคยเห็นท้องฟ้าอนกมาอ่านนกก็จะอธิบายอีกแบบหนึ่ง เพราะประเด็นไม่ได้อยู่ที่หนังสือประเด็นอยู่ที่ณตอนนั้นเราเป็นยังไงใช่ใช่มันเปลี่ยนนะเนี่ยตอนนี้อาจารย์ที่ผมกาลังใช้เวลามากเลยคือคืออ่านหนังสือรอบสองตอนนี้นะหนังสือที่ผมเคยอ่านมาแล้วนะอาจารย์คือพอกลับไปอ่านปุ๊บเนี่ยเอ๊ะเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดอย่างนี้นี่บางอย่างนะหนังสือเล่มดีๆเล่นที่มันเคยเป็นสุดยอดสุดยอดของหลายสาขาวิชาอะไรเงี้ยลองกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งน่ะเออ ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม ม, ม, ม, ดมันยิ่งสนุกนะมันไม่ใช่ว่าอ่านซ้ําเก่านะมันไม่ซ้<ม>ําตัวหนังสือเก่าแต่ตีความใหม่นะ<ม>อาจารย์ครับผมขอมันนี้นิดนหนึ่งหนังสือของอาจารย์เนี่ยคือเวลาเขาบอกถึงเรื่องความสุขนะคนจะพูดตรงกันหมดเลยอะ่ะคือหนึ่งในนั้นคือต้องเป็นคนคิดบวกคิดเชิงบวกอาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยน่ว่ามันนําไปสู่ให้เรามีความซปตได้ยังไงอ่านหนังสือเล่มนี้ผมจะเขียนไว้เป็นสองท่อนท่อนแรกเนี่คนทางโลกโลกอ่านเออและท่อนหลังนี่เป็นทางธรรม ครับคิดบวกเนี่ยทางโลกอืมคือเคยเคยเล่นกีต้าร์ไหยเวลาตั้งสายกีต้าร์ไม่เคยครับสายสายพิมสายอะไรก็แสกพิมคอได้เราะะล้อคอซึงเนี่ยเวลาตั้งสายเนี่ยอ่ะมันหย่อนอยู่เนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะขึงให้มันตึงเกินเออฮตึงสุดขีดเลยแล้วก็มาเช็คเสียงคตึงตึงตึงตึงตึงแล้วก็บิดมันจะลงมาพอดีนั่นคือ ตึงไปก่อนแล้วผ่อนตึ้งมันจะพอดีอคนเรากำลังทุกข์เนี่ยมันติดลบอยู่ล่างๆรึเปล่าล่างๆอยู่อย่างเงี้ยใช่ไห ม, อ, มอยู่ๆบอกให้ธรรมะคือศูนย์เลยเนี่ยจากลบมาศูนย์นี่ยากนะอืมนั้นผมก็จะหลอกคนให้ไปบวกก่อนอืมจากอากุศลเนี่ยคิดเรื่องกุศลก่อนอืมพอกุศลมาก็ทําไมฮะเไอวางกุศลอืมจะลงมาเงี้ยคนคนถือไม้คนอยู่หลังช้างเนี่ยพระไปสอนธรรมะให้นี่อาบัตินะเพราะไม่รู้เขาจะ ราช้างเหยียบเราหรือก็เอาไม้ตีหัวเราหรือเปล่าออืมผมก็มานั่งตีความในสินสองรยี่สิบเจ็ดตรงเนี้ว่าทําไมพระเจ้าท่านส่งส่งส อ, งส อ, งสอนเช่นนั้นตอนหลังคิดได้เลยอ๋อคนเขากํลาลังพูดไม่รู้เรื่อง อ, ะอ่ะคนมันติดรอกมาทั้งชีวิตเนี่ยถ้ามันคิดบวกบวกไว้ก่อนออืแต่ถ้าคิดบวกทั้งวันทั้งคืนไม่มาศูนย์ตรงนี้เลยนะออืเสร็จเลยนะฮะหนึ่งถูกหลอกออืเมาบุญเคยเจอคนเมาบุญ่ดอือบ้าทําบุญทั้งวันทั้งคืนแต่คนในออฟฟิศ ลูกเมียไม่เคยดูแลเลยทำบุญใกล้ไกลตัวตลอดเีเรียกว่าพวกเมาบุญท่นคิดบวกในแง่ในแง่ของผมก็คือเป็นเป็นยาชั่วคราวอะเอามาให้บวกไปก่อนพออารมณ์ดีใช่ไห ม, มคุยกันรู้เรื่องแล้วผ่อนคลายแล้วตอนนี้เทศได้แล้ว คือเป็นศิลปะการสอนน่ะแต่ทีนี้คนเรามันจะคิดบวกได้เนี่ยมันก็ต้องเคยอยู่กับกลุ่มคนที่เขาคิดบวกเป็นมาก่อนเนี่ยเออเ อ, อ, อาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์ดําเนินชีวิตใช้ชีวิตนี่คือเรียกว่าก็ออสอนธรรมะแล้วก็ไปให้คำที่อุปสรเ ย, ยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะอาจารย์มี ม, ม, มีหลักไงเพราะว่าอาจารย์คงถือว่าไม่ว่าอาจารย์จะอยู่อริยบทอะไรทําอะไรเนี่ยก็คงถือเป็นการปฏิบัติทั้งหมดหรือป่าคะใช่ทุกวินาทีมันมีสติตลอดเนี่ยค่ะ<า>อาจารย์ทําทํำยังไงคะ ก็อย่างอย่างอย่างคุยด้วยอย่างนี้ใช่ค่ะมันก็เหมือนน้นํานิ่งๆในถ้วยชาเนี่ยให้อันนี้มันนิ่งแล้วก็ระวังความคิดอืมอันนี้ผมก็นั่งฟังสองคนคุยไปเรื่อยๆถ้ามีความคิดที่จะเป็นอคติก็ตัดออกอความคิดลำเอียงก็ตัดออกก็ฟังไปเรื่อยๆความคิดที่จะไปตัดสินว่าผิดถูกก็เอาออกไปความคิดที่จะไปบอกว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่ไม่เอามัึงฟังไวปเรื่อยๆกระแสตรงนี้ แต่จะรักษาตรงนี้ได้เนี่ยขณะเดียวกันผมก็จะผมทำสี่อย่างพร้อมกันนะเนาะ mm hmm. คือตอนนี้น้ำหนักผมเนี่ยลงที่ขาสองข้างนะ <Okay. S 2> จะรู้ตัวตลอดหลังผมตัวนี้แตะแตะหมอนอยู่เพ <Okay. S 2> จะรู้รู้ตลอดนะฮะมีลม mm hmm. เบาๆมาด้านหน้าเนี่ย mm hmm. คือผมรู้ผมตลอดนะมันเป็นออโต้ hmm. ไปแล้ว mm hmm. เป็นออโตเมติกไปแล้วลมหายใจ <Yeah. S 2> จะเป็นยังไงกรนะเพาะ เป็นยังไงก็เพิ่มขึ้นลงพุงมงนะขึ้นลงยังไงคือมันรู้ตลอดฮนะรู้ตลอดนะแล้วก็สร้างตัวรู้ตรงไว้นี่คือรู้กายกรู้เวทนารู้อารมณ์แล้วก็รักษาไว้ให้มันสบายๆคุยไปด้วยยี้ยก็ชิวๆชิวๆผมก็จะไม่ห่วงหมดเวลาเมื่อไรอเป็นความรับผิดชอบของท่านสองขลองนะจะถามตรงประเด็นไหมไม่ตรงประเด็นก็ไม่ใช่เป็นรายการของท่านนะผมก็ไปของผมเรื่อยๆผมก็มีความสุขนะแล้วพอพมเป็นอย่างนี้ปั๊บ พอจิตแล้วโลกสงบสงบเสร็แล้วมันก็ซึ่งอย่นี้มันอาจารย์พูดทา่าเขาเรียกกันว่าบวชอยู่กับงานบวชอยู่กับงานบวชอยู่กับงานแล้ว<ม>ก็สามารถฝึกในงานได้ค่ะหรือไม่ได้เราทํางานพิมพ์ดีดอะไรอยู่เงี้ยพิมพ์พิมพ์มเนี่ยค่ะ<ห>ความคิดจะเข้ามาเยอะไหมฮะเต็มนะค่ะ<ห>คิดแยๆนะ่ๆเลยเมื่อวานนี้ทะเลาะกับสามีอมอออกไปก่อนองานก่อนงานใหม่ๆเหมือนคนโง่เลยฮะฝึกใหม่ๆเหมือนคนโง่เหนะมือนคนซึ่งซึ่งซึมๆแต่พอผ่านไปช่วงหนึ่งอ่ยมันเหมือนคล้ายๆกับ ต้องลงจากเขายอดเนี้ยจากฉลาดเนี่ยนะจะลงมาโง่สุดท้ายจะฉลาดได้อีกออมันจะอย่างเงี้ยมันเคอร์ฟอย่างเมันจะฉลาดได้อีกคแต่เรามันจะชอบอยู่ตรงนี้แล้วพยายามจะไปฉลาดได้อีกก็เลยโง่ลงไปเรื่อยๆโง่ไปเรื่อยๆแต่นี้เข้าแบบลงแล้วมีโมเมนตตัมที่จะอลงจากเขาลูกเล็กเพื่อจะขึ้นเขาลูกใหญ่กว่าเนี่ยมันต้องลงจากเขาก่อนอืฉันคนมีอัตราเนี่ยถ้าลดอัตราก่อนเนี่ยมันถึงจะไปได้เหมเนี่ย อแต่เราไม่ยอมลดไงเราไม่ยอมลดเพราะงั้นที่เราเห็นว่าอาจารย์สุขสารล่าเริงเขียนโน้นเนีน่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วก็คือกําลังปฏิบัติทำอยู่เช่นเดียวกันไม่มีใครรู้เราเราที่รู้เราใช่ไหมเพราะเราเนี่ยมันจะเป็นคนรู้เองว่าอารมณ์อะไรจะเข้ามากระทบอารมณ์แบบไหนเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะปฏิบัติยังไงเราจะแอคชั่นกับมันยังไงใช่เห็นบอกว่าบางครั้งก็ต้องแสดงละครนะใช่อาจารย์บอกว่าบางครั้งก็ต้องมีออกไปบ้างเพราะที่สอนลูกสอนอะไรก็ต้องไม่ใ ต้องใช้บทบาทอแต่ข้างในไม่มีอะไรนะบาอทีผมดุคนแบบ แ, งแรงๆเลยนะออืก็หันมาบ่อยคนหนึ่งหัวลอย <c oughs> คื อ, อมันเป็นละครฉากหนึ่ง น, นะ<อ>คือไม่งั้นเขาจะเห็นเราแบบไม่เห็นสองทางไง<อ>มันทุกอย่างมันหยินหยาง<อ><อ>การจะสอนคนมันก็ต้องให้เขาได้ผ่านประสบการณ์ผ่านบทเรียนให้เขาเห็นเห็นถ้าเราสอนในเรื่องดีๆดีๆวันหนึ่งลูกหลานเราไปเจอเรื่องไร้ๆเนี่ยไม่เคยเจอเนี่ยเขาลําบากรับมือไม่ไหวเพราะฉะนั้นอยากให้ลูก ลูกผ่านประสบการณ์ที่ดีได้เอาเรื่องเร็วๆร้ยๆใส่ลูกทีละนิตพิตให้เขาค่อยมีผู้ต้านใช่บนเงื่อนไขของคุณธรรมและความรู้ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องไปชิมก่อนนะฮะเจ้าต้องไปก่อนไม่ใช่ยืนอยู่บนหอคอยงาช้างฉันพูดแล้วเธอไปทำไม่ได้ฉันหานมาหมด ผมว่าพ่อแม่ทั้งหมดนะอยากให้ลูกเป็นคนดีนะอยากให้เป็นคนมีสินธรรมแต่ตัวเองนี่ยยังไม่ได้ทำไงในความอยากที่ใช่คืออยากให้ลูกเป็นแต่ตัวเองทำไม่ได้อะไรก็ได้ฉันเป็นพ่อแม่ฉันเมวัยนี้ฉันให้แล้วล่ะให้เด็กมันเถอะแต่ใส่วางแต่ที่ว่าถ้าพันไม่ทํำแล้วลูกจะทำหรอถูกแหมผมว่านะเอผมอยากจะสอนลูกให้ให้อ่านหนังสือดูหนังสือเนี่ยไม่เคยบอกเขานะแต่แต่ผมอ่านหนังสือทุกวัน เขาเขาตามเอออย่างลูกสาวผมตัวนี้เขาอยากเรียนวิศวะโยธาออจริงแล้วผมไม่เคยพูดสักคำเลยครับแต่พอทุกครั้งที่มีเสาอาทิตย์ปิดเทอมเนี่ยผมพาเขาไปสร้างพระไปผสมปูนไปก่ออิฐทำบ้านที่ปักช่องสร้างเขาก็ตามมาเนาะอยู่มาวันหนึ่งถามโตขึ้นจะเป็นอะไรอยากเป็นวิศวะวิศวะอะไรลูกโยธาอือหรือลูกสาวคนเล็กผมเนี่ยช่วงที่ผมอยู่ ผมเข้าลงมาครั้งที่สองอยู่ที่วัดหลวงพ่อกล้วยที่ขอนแก่นก็นะปรากฏว่าลูกสาวก็พาลูกศิษย์ผมอไปเดินประทักศินาวัดรอบรอบสรอบเขาก็มีมาบอกว่าอาจารย์สอนลูกสาวดีจังเลยให้สอนประทักศินาวัดบวกผมไม่เคยสอนลูกเลยอืแต่แต่ทุกครั้งที่ผมไปไปต่างจังหวัดผมจะต้องไปไหว้เจดีของจังหวัดนั้นๆนั้นเขาจะพาลูกเดินสามรอบอพุโทโธธรรมโมสังโฆทําทําซ้ําำ ซ้ำๆๆจนมันฝังเข้าไปในมินเลอร์นิมรอนเนี่ยเขาอาจะรู้อ่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะคะก็เห็นผลวันนี้ก็ได้อะไรล่ะคือเราได้ฟังเราได้ฟังแล้วแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะคอาจารย์คือเราต้องลงมือที่จะทําเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกแล้วนะคะธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะและอีกอันหนึ่งก็คืออาจารย่านจะรรรมะธรรมเพราะว่าประเด็นประเด็นหนึ่งนะที่ที่ผมผมได้จากอาจารย์นะก็คือว่า เวลาเราหมายว่าลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องมอบกายถวายชีวิตใช่ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะมันรั่วเออลูกบ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าผมหูถ้า้องฟันอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณต้องเอาเต็มที่นะจริงจังถ้าไม่ของนี้เล่นไม่ได้นะถ้าเล่นแล้วก็จะแพ้เหมือนชีวิตที่แพผ่านมาใช่ไหมที่อาจารย์พูดเนี่ยประเด็นที่อาจารย์บอกมันต้องเดินให้ได้เจ็บ ไม่เป็นไรอย่างเงี้ย อ, อาจารย์ผ่านมาได้อาจารย์เป็นแบบอย่างอ่ะนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ลองปฏิบัติธรรมหรือฝึกอะไรละครับสมาธิหรือว่านั่งสมาธิหรือจงกลมเนี่ยอีกสักแป๊บหนึ่งไอ้ตัวดําๆมันมาบอกว่าหยุดเถอะนอนเถอะนอนดีกว่าตอนนี้มนะอากาศเย็นที่นอนอุ่นมากเลยไ มันมันมันจะมาบอกนะแต่เพราะฉะนั้นนึกหน้าอาจารย์ไว้ไม่สู้ไม่สู้นะครับเอาละได้กําลังใจแล้ววันนี้เออได้ใจนอต่อเวลาเวลาเช้าอยู่เวลาเช้าอยู่ ในการเสร็จเอ๊ะมันยังเช้าอยู่ในวงกลับไปนอนต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยรู้วาไหมนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับดรวอนครับผู้เจริญนะครับว่าโอกาสต่อไปเราคงได้เรนเชิญอาจารย์มาก่อนมาด้วยนะคะคุยกันอีกค่ะอันนี้เราทั้งสามคนนะคะก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ